จเจริญพรโยมโยมเยอะขึ้นทุกวันนะนเดี๋ยวนี้ลนไปที่วัดหลวงพ่อทุกวันเยอะเยอะเกินไป <c oughs> ธรรมะจะดีที่สุดเนี่ยต้องเรียนลูกศิษย์คนหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งเรียนกันง่ายหน่อยลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันนะอาจารย์สู้ไม่ไหวแล <c oughs> ลูกศิษย์ต้องช่วยตัวเองให้เยอะเยอะยม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 จิตจะกว้างขวางนะไรขอบไรเขตภาษาบาลีเรียกวิ ม, มาริยาทิกัดเนี่ยภาษาเป็นท่องมาหลายวันนะมันกว้างขวา ง, วางใจอ ะ, <S <S <น>ะการที่พวกเราสนใจศึกษาธรรมะนะเป็นเรื่องดีมากเรียกว่าเราไม่ประมาทคนที่ประมาทนัคือลาเลยที่จะเรียนรู้ตัวเอง <S <S แล้วก็ชีวิตก็เลยจมอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกเรื่องโน่นทุกเรื่องนี้ไปเรื่อยๆหาทางออกไม่ได้นะ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 คุณธรรมความดีที่ใหญ่โตทั้งหลายเนี่ยก่อนมันจะใหญ่โต ข, ขึ้นมามันก็น้อยๆก่อนอย่างพระพุทธเจ้าส ร, ร้างบารมีกว่าจะเกิดปรมามทบรารมีบรารมียิ่งใหญ่ก่อนจะเกิดอุปบรารมีกนะ็มีบารมีธรรมดานี่ก่อนอาศัยการสร้างคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆไปก่อนจิตใจคุ้นเคยกับการสร้างคุณงามความดีนะวันหนึ่งก็สร้างคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ like <you are. S 1> คุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะช่วยเรา ในนาทีที่เราจะข้ามพบข้ามชาติในเวลาที่จิตเดินเข้าสู่อรหะตะมักเนี่ยตรงเนี้คุณงามความดีทั้งหลายจะต้องระดมรวมตัวขึ้นมาต่อสู้กับกิเลสจะมาแตกหักกรรมานในนาทีสุดท้ายนี้เองเงั้นเราต้องสะสมนะคุณงามความดีทุกชนิดเลยหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังองในพระไตรปิฎกพูดใช่ไหมในพุทธประวัติเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะ นั่งอยู่บนรัตตนาบรรลังไม่แยกบรรลังโก้เก๋อะไรนะนั่งอยู่บนหญ้าเหญ้ากกุสศลคนไทยมาแปลว่าหญ้าขานะจริงๆไม่ใช่าญ้ า, าขาไม่คมนั่งไม่ได้ีากคือหญากกุศลเดี๋ยวนี้เรียกหญากุสลท่านนั่งลงแล้วเนี่ยท่านตั้งใจแล้วไม่ถอยละ ว, วันนี้ถ้าไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่ถอยละเสริมานถจุนเห็นไหมมารถจนท่านอาศัยคุณงามความดีของท่าน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 ผิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่ความสุขล้วนๆเลยชาั น, ะนันกลายเป็นตัวทุกร้วนๆให้ดูไดนะ้มันเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสเลยนะในตัวขันเองในกะิเลสก็จะระดมกำลังเข้ามาโจมตีเราถนะอยเฮอะถอยเถอะนะกิเลสมันจะมายั่วยวนนะความคิดก็จะมาหลอกเราอย่าสู้เลยนะถอยดีกว่าถ้าถอยไปถ้าสู้ต่อไปนะถ้าไม่บ้าก็ตายเนะี่ยจะรู้สึกอย่างนี้นะ ใจของเราเนี่แหละคือเทวบุตรตมานนะความคิดของเราคืออภิสังคารามานนะกิเลสของเราเรียกกิเลสมานนะใจของเราเนี่คือขันธมานนะมันจะมีความรู้สึกเลยเหมือนความตายมารออยู่ต่อหน้าแล้วนี่คือมัจจุมาณ์ที่เคยอ่านประวัติครูบาจารย์เคยอ่านไหมอย่างโลกูมั่นบอกก่อนจะแตกหักได้นะความทุกข์บิบคั้นสลบไปสามรอบเลย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 กระทั่งชีวิตก็กล้าสละน่ถึงนาที่สุดท้ายนี่ยมันจะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะแต่ถ้าเรารักตัวเองห่วงตัวเองนะสุดขีดเลยกลัวทุกข์กลัวยากสารพัดเนี่ยมันจะไม่กล้าใจมันจะท้อถอยออกมามันจะข้ามพบข้ามชาติไม่ไหวหรืออย่างเรามีขันติบา ร, รมีเราฝึกความอดทนอดกลัน้นในนาทีที่จะแตกหักเนี่ยความทุกข์มันท่วมทน้นเหมือนทุกบทขยี้เราฟังตายเนี่ย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 เราประมาทไม่ได้นะ่ะความตายเราจะถึงตัวเราเมื่อไรก็ได้ไม่เลือกนะไม่มีซีเนิตี้นะไม่ใช่แก่เราต้องตายก่อนนะ <c oughs> เด็กๆตายไปก่อนหลวงพ่อเยอะแล้วนะ <c oughs> นี่นเราประมาทไม่ได้นะเราอย่าประมาทในร่างกายนี้อย่าประมาทในเวทนาคือความสุขและความทุกข์ทั้งหลายความสุขมันก็ของชั่วคราวความทุกข์มันก็ของชั่วคราวใช่ไหมประมาทไม่ได้ไม่ใช่ความสุขมาก็หลงระเริงไป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 คำว่าสติสติเนี่ยฟังภาษาแขกแล้วไม่รู้จะแปลปว่าอย่างไงดีเอาเป็นว่าถ้าเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายเราค่อยรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจเรียกว่าเรามีสติถ้าเมื่อไร่เรามีกายอยู่เราลืมลืมกายมีใจอยู่เราลืมใจเขาเรียกว่าขาดสตินั้นสติเนี่ยเป็นตัวระลึกรู้กายระลึกรู้ใจคอยรู้กายรู้ใจตัวเองเรื่อย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 จิตใจล่ะจิตใจเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอยางงั้นถามว่าแล้วจิตใจเป็นยังไงจิตใจเป็นของไม่เที่ยงจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนจะหาคนใจง่ายเท่าเราหายากรู้สึกอย่าง <c oughs> รับสารภาพไหมคนที่ดูจิตดูใจเป็นจะหาคนที่ใจร้ายเท่าเราหายากกิเลสเกิดทั้งวันกูสนไม่ค่อยจะเกิดสังเกตไห้จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้จะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเราเลือกไม่ได้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 เราก็จะเห็นเลยกลายเป็นของถูกรู้เวทนาเป็นของถูกรู้กุศลอ่ะกุศลเป็นของถูกรู้อะไรอะไรก็เป็นของถูกรู้จิตผู้รู้อยู่ต่างหากนี่เส้นทางหนึ่งนะอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับคนทําชานไม่ได้เวลาจิตมันฟุ้งซ่านให้มันรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตมันไหลไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้ทันจิตจะได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองถ้าจิตไม่หลงไม่ไหลไปจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะ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 เห็นปรากฏการ์ทั้งหลายปรากฏขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเห็นสภาวธรรมทั้งหลายในแต่ละปรากฏการ์ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราทั้งสิ้นไมใ่ใจมันจะเห็นนี้เนี่ยมันถึงมีปัญญาเราะนั้นตัวนี้ต้องเรียนนะหลวงพ่อก่อนจะบวชเนะี่ยหลวงพ่อตระเวนไปตามสำนักต่างๆมากมายหลวงพ่อไปดูว่าเราจะไปบวชสำนักไหนดีบางแห่งสำนักดีนะครูบาอาจารย์ดีแต่ครูบาอาจารย์ไม่มีเวลาเลย อาจารย์ไม่อยู่วัดนะรับนิมนต์ไปทุกวันทุกวันนะหายไปเลยหรือบางแห่งมีแต่รูปแบบหลายแห่งเพ่งลูกเดียวกระทั่งในสำนักที่บอกว่าทําแต่วิปัสสนานะจริงๆแล้วติดสมถะเกือบทั้งหมดน่ะติดสมถะนักปฏิบัติเพราะอะไรเพราะเวลาเราเรียนธรรมะเราเรียนข้ามขั้น เราถือศีลมาเรามีศีลและศิกขาแล้วเราก็ไปกําหนดรูปนามเลยเราไปเจริญปัญญาศิกขาเราข้ามจิตศิกขาไปบทเรียนหนึ่งงั้นถ้าเราไม่ได้เรียนจิตสิกขาให้ทองแท้ซะ ก, ก่อนเนี่ยจิตจะไม่มีสัมมาสมาธิแล้วจิตจะไปเพ่งไปรู้ท้องก็เพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ารู้ลมเพ่งลมรู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นะจะไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นเพราะเราเรียนข้ามขั้นนะไปเที่ยวตะเวนไปน้าบางที่ก็ ส่วนใหญ่จะไปแอบดูเขานะถ้าไปนั่งเรียนนี้มันยาวใช่ไหมหลายชั่วโมงหลายวันส่วนมากหลวงพ่อเป็นคนใจใจเราว่องไหวหน่อยเราไปแอบดูดูตัวอาจารย์นั่นแนหะดีที่สุดเลยดูเวลาอาจารย์เข้าภาวนานะัเขาจะเข้าใจรวดเร็วยิ่งไปเห็นหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนนี่เนียบจริงๆลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนที่เยี่ยมมากมก็หลวงพ่อคําเขียนยนะี่แหละ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 ดูมาสามวันแล้วพอสมควรแล้วบัตรนี้เป็นพระโสดาแขวนป้ายให้ตัวเองอย่างนี้นไม่ใช่นะมันมีกระบวนการที่จิตตัดสินความรู้นะกระบวนการมันมีทั้งสิ้นเลยสิ่งเหล่านี้ในคัมภี์อภิธรรมของเราสอนไว้ทั้งหมดเลยแต่เราลาเลยที่จะเรียนกระทั่งแอบวิจานหน่อยนะแต่ทั่งคนเรียนอภิธรรมเวลาลงมือภาวนาก็พลิกตําราไม่ค่อยทัน่ไปเพ่งเอาส่วนใหญ่ที่เคยเห็นชอบเพ่งติดเพ่งกันแทบทรั้งนั้น น, นอดทนนิดหนึ่งนะค่อยๆฟังฟังด้วยใจที่เปิดกว้างหลวงพ่อเรียกร้องตั้งแต่แรกนะต้องเปิดกว้างถ้าฟังด้วยใจแคบจะต้องโมโหโหลวงพ่อทุกวันจะต้องมีคนมาขอขมาเรื่อยๆนะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวหลวงพ่อพูดเสร็จหลวงพ่อขอขมาพวกเราดีกว่า <c oughs> <c oughs> จะได้ไม่อาฆาตแค้นเ <c oughs> นี่ยค่อยดูลงไปนะวันหนึ่งเราจะเห็นกายกระใจไม่ใช่ตัวเราอันนี้ยังไม่ได้ละอาวิชานะละแค่สักกายทิฐิ เห็นแล้วไม่ใช่เราแต่ว่ามันยังรักมันยังหวงแหนในกายในใจนี้ต้องดูต่อไปอีกดูต่อไปถึงวันหนึ่งเราเห็นเลยกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆถ้ากายเป็นทุกข์ล้วนๆนะมันจะหมดความยึดถือในกายเมื่อหมดความยึดถือในกายก็จะไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณสิ่งที่มาสัมผัสกาย ตามและปฏิฆะในรูปเสียงกลิดลด่นรสผลิภัณฑ์ก็จะไม่มีเป็นภูมธรรมของพระอนาคามีน ะ, ะ, ะนั้นจิตใจของพระอนาคามีก็จะเด่นดวงอยู่นั้นมีแต่ความสุขอยู่กับจิตจิตผู้รู้มีความสุขมากถ้าตามรู้ตามดูต่อไปไม่นิ่งนอนใจนะจะไปเจอกับปรากฏการที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้นี้ยมันจะเห็นเลยจิตนั้นเนี่ยพลิกตัวเป็นความทุกข์ให้ดูไม่ใช่จิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างหรือจิตเป็นสุขมากๆแล้วจิตกลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆให้ดูนะ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 งั้นบางคนมันตื่นอยู่เฉยๆนะตื่นแล้วสว่างจ้าเฉยๆอยู่ยงั้นก็มีนะนี้พอมันตื่นแล้วเนี่ยสังเกตไหมใจมันทางานต่อไหมหรือว่ามันไปอยู่กับความว่างๆสว่างสวายตื่นสบายอยู่แค่นั้ น, นต้องมาดูต่อบางคนตื่นแล้วก็ไปตื่นอยู่เฉยๆตื่นซื่อบื้อตื่นขึ้นมาเนี่ยมันแค่มีสติมีสติแล้วก็ต้องมาหัดเจริญปัญญาเพราะในสติปัฏฐา น, นะจะทาไปเพื่อสองสิ่ง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 ใช่ไหมครับใช่แต่ยังไม่หมดนะใช่ครับยังยังยังมีอยู่มันยังเพ่งอยู่ใช่ยังมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเท่าที่กับเมื่อก่อนแล้วเยอะมากออดีครับผมแก้าการเพ่งเนี่ยแก้ยากที่สุดเพราะเวลาเราเพ่งเรารู้สึกเราภาวนาดีจิตใจเราสงบจิตใจเรานิ่งกิเลสไม่มาอะไรเนี้ยดังนั้นส่วนใหญ่ติดเพ่งที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อะเวีนไปดูผู้ปฏิบัตินะเยอะแยะไปหมดเลยเกือบทั้งหมดติดเพ่งแล้วบอกว่าให้เลิกเพ่งไม่เชื่อนะโมโห อ, อีกนะ บางคนหลวงพ่อต้องใช้วิธีท้าลองมาลองรู้เฉยๆแบบไม่บังคับสักเดือนหนึ่งได้ไหมลองดูขอเดือนเดียวอ่ะถ้าไม่ได้ผลก็กลับไปเพ่งอย่างเกา่ามีบางคนรับคําท้านะแล้วก็คลายการเพ่งออกแล้วตามรู้นะสองสามวันเองเข้าใจละก็ง่ายนิดเดียวเลยไปทำซะยากทำซะลํา บ, บากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เพ่งไว้ให้นิ่งๆนะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมพอเข้าใจครับเ อ, อ้เข้าใจอย่างนี้ไม่เตะหลวงพ่อแล้ว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 ชื่อพระวิปัสสีถัดจากนั้นเว้นไปไม่มีพระพุทธเจ้าอีกหกสิบกลับหมายถึงจักรวาลเกิดและดับอย่างนี้หกสิบฟังไม่มีพระพุทธเจ้าเมื่อสามสิเอ็กลับก่อนมีพระพุทธเจ้าสององค์คือพระสิกขีกับพระเวสสุปูแล้วก็เว้นมาสามสิบกลับนะเพิ่งมามียุคพวกเรานี่เองนานๆนนจะเกิดพระพุทธเจ้าเกิดคําสอนเรื่องสติปัฏฐานสักครั้งหนึ่งเราะนั้นพวกเราต้องรีบศึกษานะถ้าพลาดแล้วเนี่ย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 มีไหนอยู่ไหนยกมือหน่อยกล่าวมาสักการพระอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะเกี่ยวกับสภาวะของการติดบุญนะคะก็เคยฟังพระอาจารย์พูดะคะ่ะสภาวะติดบุญค่ะ<า>ก็ดีกว่าติดบาปเนาะ <c oughs> <c oughs> คือสภาวะทั้งหลายเนี่ยเราติดได้ทั้งนั้นนะ่ะถ้าเราไปเพลิดเพลิน พ, นพอใจมัน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 แถวนี้ก็มีนะลูกศิษย์หลวงพ่อที่มาเรื่อยๆเนี่ยมียกมือหน่อยสินักติดบุญไม่กล้านะวันๆนั้นคิดเรื่องทําบุญแต่ก่อนเนี้ยคิดทําบุญนะวิ่งรอกเดินสายนักคล้ายๆนักร้องลูกทุ่งเลยนเช้าไปวัดนี้สายไปวัดนี้นะรู้เวลาหมดเลยนะครูบาอาจารย์องคไหนรับแขกตอนไหนนไปทําบุญตะเวนไปเรื่อยๆไปหาหลวงพ่อแล้วโดหลวงพ่อแซวเรื่อยแซว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 สามีก็เตะลูกก็ดานะ่าอะไรเงี้ยใจตกเลยนะใจเศร้าหมองเนะี่ยบุญอย่างนี้ก็บพร่องกับแพ่งเนียอว่าบุญไม่ฉลาดบุญทําร้ายตัวเองนะงั้นเราจะทําบุญก็ต้องรู้จักประมาณตัวเองบุญที่ไม่ต้องเสียสตังคนะ์มีเยอะกว่าบุญที่ต้องเสียสตังค์นะในกูรูกรรมบทสิบอย่างหรือบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างนะบุญที่ต้องเสียสตังคนะนะนะ์มีหนึ่งในสามของสิบอ่ะนะ เป็นวัตถุทานเท่านั้นเองทานยังมีทั้งหลายอย่างอาัยาทานเงคนมาด่าเราเรายกโทษให้หแต่ไม่ใช่ว่าเข้ามาว่าเรานะคนนี้เป็นคนทานมาเกเรเราแล้วมาเดี๋ยวก็ขอขมาแล้ะอีกวันนึงด่าอีกแล้วเนี่ยเราก็ครบเหมือนเดิมนี่เรียกว่าไม่ฉลาดนะเราไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้อาฆาตแต่เราเลือกควบคนนะพระพุทธเจ้าสอนนะดังนั้นบาคนมันเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องมือ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 ของเราได้ถูกฝึกจิตใจของเราให้เป็นผู้ให้นะจิตใจอย่างนี้แหละเวลาที่เราไปภาวนาถึงจุดที่แตกหักนะได้มาใช้นะเรากล้าสละชีวิตเพื่อทำหรือเปล่านถ้าเราเคยกล้าเสียสละของเล็กของน้อยมาก่อนนะจนสุดท้ายจะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะได้นะไกุศลเล็กน้อยไม่ละเลยนะแต่ว่าต้องมีสติมีปัญญากำกับตลอดเลยหรือนะนะทำสมาธินั่งแล้วก็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 อี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ได้มานั่งฟังตอนหน้าครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาก็ฝึกด้วยตัวเองมาบ้างนะครับก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่ออยู่สองคำถามนะครับจะมีบางครั้งรู้สึกบางวันมันเหมือนกับมันก็รู้ตัวด้วยตัวเองไปได้เรื่อยๆทำได้ง่ายบางทีเหมือนกับจะเหมือนกับรู้ตอนเผลอฮรัอาจารย์เผล อ, อๆมันก็รู้ขึ้นมาเอง เ, ออเป็นขันข้นแรกภาวนาเป็น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 เราตกใจเราดิ้นรนนะเสื่อมนานเสื่อมได้หลายๆเดือนเลยนะพอหลายแต่เดือนนานๆฟอไปเลยเลิกปฏิบัติก็มีนะเพราะงั้นเวลาที่มันเจริญก็อย่าย่ำใจเวลาที่มันเสื่อมอย่าเสียใจคอยรู้ไปจเจริญได้ก็เสื่อมได้ความเสื่อมก็เป็นธรรมะนะไม่ใช่ความจเจริญเป็นธรรมะอย่างเดียวความเสื่อมก็เป็นธรรมะสอนเราอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้ดีแล้วละ่ะ แต่ว่ายังบังคับตัวเองเกินธรรมดาไปนิดนึงนะเอาคุณตรงเข้ามากับเขาด้วยเดี๋ยวหลวงพ่อขอประท้วงนิดนะึงพวกที่ไปวัดหลวงพ่อแทบทุกวันทจะไปตามมานี่ด้วยคือตอนนี้จะเป็นเหมือนที่หลวงพ่อตอบพี่คนมเมื่อคืนค่ะหนูก็ตอนนี้ยังดิ้นอยู่อะค่ะ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 ตัวหาทัยรูปหรือตัวหาไขยที่จุดซึ่งนามธรรมาปรากฏขึ้นมาฝุดขึ้นมาถ้าเราภาวนาเร็นมันฝุดขึ้นกลางอกเรานี่กราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะดิฉันเคยกัาบเรียนหลวงพ่อว่าเครง่งนะเจ้าค่ะทีนี้หลวงพ่อก็เคยบอกว่าเหมือนกับออกมาทีนี้บางวันเหมือนกับเขาไปล็อกไว้เจ้าค่ ะ, ะดีที่เห็น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 นี่ก็ภาวนาเป็นแล้วนะไม่จำเป็นต้องถามนะถ้าต้องถามทุกคนเนี่ยคนที่ไม่ได้ถามเดี๋ยวเสียใจรู้สึกโอ้ยฉันเข้าคิวแล้วสงสัยไม่มีเส้นอย่างเงี้ยนะหรือคนอยู่นอกๆเราไม่รู้จะถามยังไงนะ <c oughs> เดี๋ยวจะเสียใจจริงๆไม่จำเป็นต้องถามหรอก <c oughs> สภาวะธรมใดปรากฏขึ้นแก่กายแก่ใจเราเราคอยรู้ของเราไปลงเป็นปัจจุบันไป <c oughs> ไม่เห็นจะต้องถามใครเลยเพราะทั้งหมดสอนธรรมะเราอยู่แล้ว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 ครูบาอาจารย์ก็จะตอบว่าก็รู้แล้วอ่ะมีสติรู้กายรู้ใจแล้วมันจะทําอะไรยิ่งกว่านี้อมันถูกแล้วไม่ต้องทําอะไรมากกว่านี้แล้วตอนไปหาหลวงปู่ดูลเนี่ยอยู่แต่ท่านได้ปีกว่ากว่าเองอาัจากนั้นจะไปหาหลวงพุทศบ่อยไปถามหลวงพุทธทุกครั้งอ่ะแล้วท่านจะตอบเหมือนกันทุกทีอยู่อย่างเงี้ยก็มีสติแล้วจะเอาอะไรมีสติแล้วก็รู้กายรู้ใจไปสิทธิวันหนึ่งมันก็พอของมันเองอ่ะ เหมือนผ ล, ลไม้ที่รอเวลาสุกงอมใจเราก็เหมือนผ ล, ลไม้นะรอเวลาที่มันสุกงอมอย่าไม่ต้องไปรีบบ่มมันไม่อร่อยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกตกราบ น, นมัสการหลวงพ่อคะ่ะเออช้ยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยค่ะอเ อ, อพอดีโยมไปปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกนะคะ่ะแล้วก็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 เวลาที่ตามรู้กายรู้ใจเรารู้สึกว่ามันสงบอะคะไม่ทราบว่าจะแก้ยังไงคะอย่าอย่าไปจงใจปฏิบัติ <ฮะ S 2> นะแล้วก็อย่าไปเพ่งลมหายใจอย่าไปเพ่งกล้างกายพอเราไปเพ่งมากเข้ามากเข้านะมันจะเหมือนเราไม่หายใจ <ฮะ S 2> ถ้าเรามันไม่หายใจแล้วเราไม่ตกใจนะมันจะเหมือนเราหายใจด้วยผิวหนัง <ฮะ S 2> นะมันอยู่ได้น้ําอยู่ได้นานเลย <ฮะ S 2> นะนี่ส่วนใจญพอเราไปถึงตรงนี้แล้วตกใจ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 นิ่งไปเลยจนทั่งไม่หายใจแล้วก็นิ่งๆลงไปเลยนะนนเป็นการทำสมถะเราจงใจปฏิบัติแรงเกินไปมากไปพยายามออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันให้มากๆเนะช่นเราไปอยู่วัดก็ออกมากวาดวัดออกมาทำงานอะไรเงี้ยนะบางวัดมีครัวนะไปช่วยพระทำครัวครัวเนี่ยเป็นที่ฝึกกรรมฐานที่ดีที่สุดนะของผู้หญิงเวลาอยู่วัดเพราะคนชอบไปนินทากันในครัวนะไปทะเลาะกันในครัวใช่ไหม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 นะเวลารายงานหลวงพ่อนะคําว่าพยายามอย่าหลุดออกมานะอ่ถ้ามีคําว่าพยายามปุ๊บจะถูกเล่นงานละอย่างนะนะครับเป็นทุกคนแหละบางคนนะาแต่งเรื่องขึ้นเลยล้ ว, ว, วนเลยก็มีนะครั บ, รบก็เคยรายงานว่าก่อนที่จะมาฝึกดูจิตนี่ผมไม่เคยฝึกสมถะมาก่อนแต่ว่า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 เวลาเขาคิดถึงพระเจ้าจิตใจเขาจดจ่อยอยู่กับพระเจ้าจิตไม่กำเริบไปแนวกุศลอื่นๆนจิตเขาได้บุญได้กุศลจิตเขามีสมาธิหรือพวกชาวคริสต์นะเขามีรูกประคเหมือนกันนะนับรูปประคำอะไรเงี้ยจิตใจเขาสงบ เ, เขาก็เป็นสมาธิหรือศีชีพไรเขาก็ทําสมาธิเพราะฉนั้นไม่ต้องกังวลนะเรื่องทําสมถะนอกศาสนาพุทธ น, นะแต่ว่าอย่าไปทําแบบบางอันเนี่มันทําแล้วต่อการเจริญสติยาก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 จริงก็ ค, คือคำบริกรรมบริกรรมอะไรก็ได้นมาสนาไสการค่ะท่านเดียห์นเนี่ยไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยเก็แต่สนใจนะคะก็จะหาทางก็จะปฏิบัตินะะี่ค่ะก็ดียหนก็เพียงแต่ทราบถึงว่ามันมีเกิดแล้วก็มีดับ <c oughs> แล้วก็เป็นสิ่งอะไรต่งตางๆเนี่ยมันบังคับไม่ได้อ <c oughs> ดียหนมีทราบอยู่แค่นั้น ที่นี้การที่เราจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยคือต้องการที่จะให้มีสติแล้วก็รู้กายรู้ใจเนะะี่ยค่ะดิฉันไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยเนี่ยจะเริ่มต้นตรงไหนโยมมีลูกมีหลานอะไรไหมเออก็มีแต่ลูกหลานก็ดิฉันก็ถือว่า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 ใจเราไม่ชอบใจแล้โมโหโทโซขึ้นมาเราดูตรงนี้ไม่ต้องไปคิดถึงเขาแล้วเราดูที่ใจเราเราเห็นเลยใจตะกี้เฉยเฉยคิดถึงลูกหลานแล้วใจไม่ค่อยสบายเนี่ยดูไปใจไม่เที่ยงเนี่ยดูอย่างนี้นะวันนี้ลูกหลานมาเยี่ยมนะมายิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกพอใจรู้ว่าพอใจเนี่ยทํากรรมฐานละเลีเ้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรบ้างไหม หรือทํากิจจะทำอะไรบ้างเลี้ยงแต่หลานเลี้งเนี่ยค่ะไหรอค่ะแล้วชอบทําอะไรบ้างอ่ะเออชอบทําอะไรบ้างก็ชอบทําสวนเออทําสวนก็ได้ค่ะนะอย่างเราทําสวนนะ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้เรางอกงามเราพอใจเรารู้ว่าพอใจวันนี้หนอนมากินต้นไม้เราเราโมโหโรู้ว่าโมโหนี่แม้ทําสวนก็ทํากรรมาฐานได้ อย่างนั้นดิฉันก็รู้อยู่แล้วค่ะเอรู้เยอะเยอะคือคือคือถ้าเปิดว่าอย่างนั้นดิฉันก็แสดงว่าดิฉันทำธรรมะอยู่แล้วเออทําไปเรื่อยเวลาที่ทําสวนดิฉันก็รู้สึกของดิฉันอย่างนั้นแล้วต่อไปเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งเพิ่มอีกอันหนึ่งไอตอนทําสวนแล้วนอนมากินแล้วโมโหรั่วโมโหอันนี้ใช้ได้ละต่อไปนี้ใจเราแอบไปคิดให้รู้ว่าไปคิดอ๋อค่ะใจแอบไปคิดค่ะเดี๋ยวมอบไปสมัครเรียนไปรูกศิษย์อาจารย์สุรวัตรนะอยู่ไหนก็ไม่รู้อันนี้ เนี่ยเนี่ยทีมสีแปลกๆเนี่ยเขาเรียกสีอะไรหลวงพ่อก็ไม่รู้จักสีกุหลาบเก่าๆ <c oughs> แล้วท่านบีหนังสืออะไรบ้างไหมคะมีๆเดี๋ยวลองไปขอดูน ะ, ะแล้วเอาซีดีไปฟังนะเราไปหัดดูตรงทให้รู้ทันตรงที่ใจหนีไปคิดนะเพราะเวลาใจเราไปคิดนะเราก็จะน้อยเนื้อน้อยใจอะไรอย่างเงี้ย น ไ, ไต้นทางของมันก็คือใจเราหนีไปคิดนั่นเองถ้าเรารู้ทันใจที่หนีไปคิดเราก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจเราก็จะมีความสุขการนมัสการหลวงพ่อค่ะคือไปฝึกตามรู้ค่ะคือรู้แล้วาอารมอย่างเช่นอารมณ์โกรธหรือขัดใจรู้แล้วมันทุกข์ด้วยอะค่ะท่านแต่ก็ทน ทนดูทนรู้รู้ไปบางครั้งก็ได้แต่รู้ไม่ทุกเดี๋ยวบางครั้งก็รู้แล้วทุกข์อีกอ่ะเป็นอย่างเงี้ยถ้ า, ถ, าถ้าจงใจรู้มันจะทุกข์ะนะถ้าไม่ได้จงใจรู้นะแม้ความทุกข์ปรากฏอยู่เราก็จะเห็นความทุกข์อยู่ห่างๆความทุกข์ไม่ใช่จิตหรอกนะจิตเป็นแค่คนไปรู้ความทุกข์เข้าแต่ถ้าเราไปจงใจรู้นะมันจะแน่นแน่นขึ้นมันจะทุกข์ไปด้วยหรือว่าพอเราไปเห็นความทุกข์แล้วเราไม่ชอบมันอยากให้มันหาย พอเรามีความอยากเกิดขึ้นจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมาอีกมีทุกซ้อนทุกไปเรื่อยๆค่อยๆศึกษานะ <Okay. S 2> แล้วจะเข้าใจคําว่าทุกข์นี่เป็นคําที่กว้างกวางมากเลยค่ะ okay. อย่างนั้น ก, ก็ก็ทําอย่างนี้ไปก่อนทา <ำ S 1> เล่นๆนะทําเล่นๆนะ อ, อ, อย่าทําแบบเคร่งเครียด <Okay. S 2> ถ้าทําแบบเคร่งเครียดจะมีความทุกข์เยอะเลยค่ะ <Okay. S 2> ทําเล่นๆ เ, เช่นเราเดินเดินอยู่นะเห็นต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆใจเราชอบขึ้นมารู้ว่าชอบ ไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่ใจแล้วก็เดินตาควางๆไปเพราะจ้องอยู่ที่ใจเจออะไรแล้วก็เฉยๆอย่างนี้มีแต่ความเครียดใช้ไม่ได้ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้ความรู้สึกนั้นอย่าไปดักดูถ้าดักดูแล้วจะเครียดกราบกราบนมสการหลวงพ่อนะครับเมื่อตะกี้มีคำถามมาหนึ่งที่ว่าจากจิตนะฮะถึงสภาวะตื่นรู้แล้วก็แช่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 ที่คุณถ า, ถามถูกต้องแล้วคือปล่อยไปตามวัตถุเราแต่ว่าไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรมนะตามภูมิปัญญา เ, ออเราเราต้องพัฒนาสิ่งที่เอื้ออํานวยที่จะให้เกิดปัญญาก็คือสัมมาสมาธนะิถ้าเราไม่พัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นมานะเรามีสติเราไปเพ่งไปจ้องเนะี่ยมันจะไม่เกิดปัญญามันจะนิ่งๆนะแต่ถ้าเราพัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา มันจะเกิดปัญญามัจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกรู้เนี่รู้แต่เกิดระดับทั้งสิ้นเลย ก, ก็คือตามดูอย่างที่ <ลง S 1> แต่แตเราเราเราทำเหตุอย่างนี้น ะ, นะส่วนผลเนี่ยขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยบางครั้งก็รู้เฉยๆบางครั้งก็รู้แล้วมีปัญญาบางครั้งไม่รู้อะไรเลยหลงไปเลยเป็นพ<ห>ิกไปพลิกมาได้ทุกแบบเหรเห็นหลวงพ่อบางองค์บอกว่าพอถึงตรงที่แช่แล้วเนี่ยเราต้องดึงเอาข้อธรรมมาำมำวิจัยอะไรเนี่ยตรงตรงนี้เราต้องทํำไหมหรือว่า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 แต่ว่าถ้าใจของเราไปติดนิ่งติดเฉยเนี่ยการคิดเป็นอุบายอุบายนะมีแค่อุบายเป็นแทคติกเป็นตัวลวิธีนะเช่นพอใจเรามันนิ่งภาวนาพุโทโธไปหรือหายใจไปแล้วใจมันสว่างแล้วมันจะเฉยอยู่อย่างนั้นอ่นะครูบาอาจารย์ก็ออกอุบายให้มาคิดพิจารณากายนะคิดเพื่ออะไรเพื่อให้จิตทํางานไม่ให้จิตติดเฉยนะพอจิตคิดคิดคิ ด, คดไปหน่อยหนึ่งฟุ้งซ่านก็กลับมาทําความสงบสงบแล้วก็ออกมาคิดพิจารณาอีก นี่เป็นเรื่องอุบายแต่พอหมดเวลาที่จะพุทโทพิจารณากายแล้วเนี่ยอยู่ในชีวิตประจาวันเนี่ยยืนเดินนั่งนอนต้องมีความรู้สึกตัวรู้ว่า้รูปที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเรานี่คือการเจริญปัญญาจริงๆแล้วจะได้มักได้ผลหรือเปล่าอยู่ที่ตรงนี้แหละ ค, คือคือกุศลบายตนตอนที่ดึงมาพิจารณานีน่ก็ทาไ ด, ได้ได้ได้ใช้เมื่อจาเป็น มกับใช้เมื่อใช้เมื่อใจนะไปติดเฉยะนะกับเรียนหลวงพ่อพอดีผมเป็นมวยวัดใช้การศึกษาเอาอ่านเอาแล้วก็นานๆจะมาพบครูบาอาจารย์อย่างนี้ทิไม่ทราบที่ผมผ่านมานี่ที่ผมปฏิบัตินี่พอจะใช้ได้ไหมจิตมันไม่ตั้งมั่นนะจิตมันยังไม่ตื่นขึ้นมาอืมคือสติแท้ๆยังไม่เกิดสมาธิแท้ๆยังไม่เกิดนะจิตยังหลงอยู่ในความคิดอยู่ ค, ค่อยๆไปดูนะค่อยๆ ฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆนะเน้่วันนี้ทำไมมันยาวมาก ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะไหนๆอยู่ไห น, นอ่าไปคือปกติหนูติดเพ่งอะคะ่ะแล้วก็ฟุงซ่านนะคะแล้วพอรู้สึกตัวเงี้ยก็ความคิดก็จะตกไปอยู่ในความคิดอะคะ่ะแล้วควรจะแก้งไงดีอะคะก็เวลาจิต เราไปเพ่งเราก็รู้ว่าเราเพ่งอยู่นะไม่ต้องอยากหายเพยง่งแต่ถ้ามันเพ่งนานนะั้นเราก็เปลี่ยนอารมณ์ไปไปลุกขึ้นมาทํางานอย่างอื่นไปซะนะแต่ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านให้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านไม่ต้องไปอยากให้หายฟาุ้งซ่านแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมากนักเนี่ยนะเราก็ทําความสงบขึ้นมาแต่ว่าของคุณไม่ต้องหรอกคุณไปดูความฟุ้งซ่านเอาของคุณทําไมสงบแล้วฟุ้งซ่านรู้ไหมหเพราะว่ามันเป็นความสุดตรงสองด้านที่กลับไปกลับมา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 ถ้าจะตัดวงจรนี้ก็คือต้องพยายามขึ้นวิปัสนาให้ได้จิตสงบรู้ว่าสงบจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตอยากสงบรู้ว่าอยากสงบจิตไม่อยากฟุ้งซ่านรู้ว่าไม่อยากฟุ้งซ่านจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างไนางน น, นะฝึกไปอย่างนี้แล้วที่ปฏิบัติอยู่นี้พอใช้ได้ไมคะยังเพ<อ>่งอยู่นะยังเพ่งใช่ไหมเออยังไม่เลิกขอพบพระคุณค่ะเออมีคนเตือนหลวงพ่อบอกอย่าตอบแบบนี้ตรงไปต <laughs> รงเกิน <laughs> ไปให้ตอบเลี่ยง <laughs> แต่บางทีตอบเรื่องมีปัญหาเรื่องแล้วไม่รู้เรื่องเรื่องแล้ไปทําผิดเลยงั้นเรียนกับหลวงพ่อนะเรียนด้วยใจจริงๆนะหลวงพ่อสอนด้วยใจจริงๆนะอย่าเรียนแบบหาเรื่องจับผิดกันกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือได้ได้ไปกลับเรียนถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติถูกต้องแต่ว่าตอนนี้อยากเจอ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 เนี่ยจิตแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหม<ด>จิตไปคิดไม่เลิอกอ่ะรู้สึกไหมอยากพูดละรู้สึกไหม้หมเ น, น, นี่ยดูลงปัจจุบันแต่แล้วมันก็ตื่นเองแหละแล้วถ้าเกิดเมื่อเราเกิดความอยากที่จะถามอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราเห็นความอยากเรามันดับไป<ด>แล้วเดี๋ยวสักพักมันขึ้นมาอีกแล้วเราก็คิดว่าเราตัดสินใจจะถามนี่คือเรามีอุปทานที่ยึดยึดความคิด<ม>แล้วก็จะทำเ<ร> า, ท า, าด่ะ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 ครับมันจะคิดถึงคำถามคำนั้นอยู่ตลอดเวลาเอ า, เอาถามมาคือ <c oughs> จะถามก็ที่ที่ไปกราบหลวงพ่อที่สันติธรรมนะคะหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วแต่พอมานะขัขนขณะจิตเนี่ยเมื่อเราหลงเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้วแล้วที่ปฏิบัติจำที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อที่ทำในชีวิตประจาวันนั่นมันมันมันถูกต้อง ก็ทให้คอยรู้ความรู้สึกของเราไปบ่อยๆนะค่ะให้รู้ให้เยอะที่สุดเลยเท่าที่รู้ได้นะไม่ต้องรู้ตลอดเวลาแต่รู้บ่อยๆเดี๋ยวมันถูกเองแหละทำไมมันถูกตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ะค่ถ้ามันง่ายขนาดนั้นถ้าเรหันเต็มโลกแล้วกล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อกลาวน้ำมศการหลวงพ่อครับออยู่ไหนอยี่ครั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 นะวันไหนเรามีเรี่ยวมีแรงเราก็มาพุโทโธมาหายใจนะแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะเป็นการซ้อมรูนะ้ถ้าซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสติจะเกิดบ่อยตอนเนี้ใจลอยเวลาทราบไหมที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วขอบคุณครับนรัตการหลวงพ่อคะ่ะคือได้ฟังซีดีหลวงพ่อหลายครั้งทีก็ฟังในเว็บของพลังจิตบ้างนะคะ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 ทำงานแล้วดีใจเสียใจเราคอยรู้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วจริงต้องการคำนี้จะได้มั่นใจนี่หลวงพ่อบอกว่ามันก็น่าเกลียดคือคือจะเรียกว่าเพิ่งจะหันมาสนใจจริงๆังนะครประมาณปีได้่ะดีแล้วแต่ว่าเราเร้ตื่นขึ้นมาแล้วค่ะจะเริ่มทางแนวของทางครูบาอาจารย์ทางเก่าๆที่ทีแรกด้วยความเข้าใจว่า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 ไม่ใช่รู้ควบคู่นะรู้ควบคู่ไม่ได้รู้ทีละอันแล้วพอรู้แล้วต้องพิจารณาไปถึงใจรักไหมคไม่ต้องนะใจรักไม่ไดเอาไว้คิดบางทีอย่างสมมติว่าความโกรธผุดขึ้นมาเราเห็นความโกรธสังเก็ไหมเรานั่งดูอยู่ความโกรธมันก็ดับให้ดูนี่มันสแสดงใจรักให้ดูแล้วไม่ต้องไปคิดหรอกว่ามันจะดับไม่ดับนะใจรักไม่ไดเอาไว้คิดนะใจรักเอาไว้เห็น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 รูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนานะสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตกระจายออกไปเพอขันกระจายออกไปแล้วขันแต่ละตัวจะไม่ใช่ตัวเราละมันจะเห็นเองมันไม่ใช่นั่งเพื่อให้หายปวดนะนั่งเพื่อหายหายปวดไม่เห็นยากเลยจะให้หายปวดน่ะนั่งแล้วเมื่อยก็ขยับไปมันก็หายเมื่อยแล้วอินทรียบทก็ปิดบังความทุกข์เอาไว้ดั <Lum> ้นเราภาวานาไม่ใช่เพื่อให้หายปวดแต่เราภาวานาเพื่อให้เห็นเลย กายนี้ก็ไม่ใช่เราความปวดก็ไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่เรานะไม่ใช่ภาวนาให้หายแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงคือเห็นใจรักอะไรนะมีในในมในใน อ, ไอะไรสิ้<ม><บ>ในทายมนะีอะไรสงทายอ๋อมีแบบอย่างขอตกค้างอย่างก็ขออนุโมทนาพวกเรานะสนใจธรรมะดีแล้วมีชีวิตแต่ละคนไม่รู้นะจะตายเมื่ อ, อไหร่นะอย่าประมาท วิธีไม่ประมาทที่ดีที่สุดนะคือศึกษาธรรมะศึกษากายศึกษาใจของเราให้ดีหลวงพ่อเพิ่งมีญาติผู้ใหญ่เพิ่งตายไปนะแต่ก่อนมาสาราลุงชินประจำอะ่ะตอนตายเนี่ยตายด้วยความมีสติรู้สึกตัวตลอดเลยนะตายได้อย่างสวยงามก็อาศัยการที่เราฝึกฝนอาวัละเล็กวันละน้อยนี่เองถึงเวลาขับขันจวนตัวขึ้นมาแล้วไม่มีใครช่วยเราได้เลยมีแต่บุญกับบาปนี่แหละช่วยเรานะ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 สัพเทปูเรนตูสังคปาจันโทปันนราโสยถ า, ามนิโชติราโสยาทาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจจายิโนจตาโรโธรมาวัันตีอายุวันโนสุขังภะลัง